بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى ت لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أولين وآخرين ا ل نبينا محمد وعلى آله وصحبه ج م ع ي ن سبحانك لا ع ل م ر ن ا إلا ما ألمتنا إنك أن تعلمنا ي حكيم ربي شرح لي ص د ر ي วยัลอัคตัมลิสานหา ل ا มตลานครับก็ชูกรตอหาตขอบคุณในความปวดปรานที่พระองค์อสมหาตลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้อันกุรอานนะครับตับซีวิชาอัถาทิบายอันกุรอานอันกุรอานคือคาามุลลอห์ เป็นดํารดของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งการดําเนินชีวิตของผู้ศรัทธานะครับดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรเรามาทําอะไรเรามาจากไหนเรามาทําอะไรและเราจะไปไหนและในโลกหน้านะครับในชีวิตที่เราจะต้องไปอยู่ตลอดกาลเนี่ยนะครับทั้งในสวรรค์นรกเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับชีวิตในลุมฟังศพมีอะไรบ้างล้วนทั้งทั้งหมดล้วนแล้วแต่กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับดังนั้นอัลกุรอานจึงมีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับทั้งการอ่านทั้งการทําความเข้าใจพินิษฐ์พิจารณาใครครวนนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งสิ้นที่อัลลอฮฺสุลฮะตะได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์ของพระองค์ นะครับวันนี้สุร่าที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็ยังอยู่ในสุร่ายาซีนนะครับก็นานๆจะได้เรียนนะครับก็มีภารกิจนะครับหรือว่ามีคาบอากิเดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องราวของอันกุรานั้นก็มีความสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องมาใ ค, รครวร น, นะครับและก็พิพจารณากัน เพื่อที่จะให้เรานั้นชีวิตของเรานั้นนะครับอยู่ภายใต้ความรักและความพอพระทัยจากอัลลอ์สุฮานูตาอาลานะครับอายะในซุลลัยซินที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็จาก อ, อายะที่ 7-10 ถึงนะครับอายะที่ 7-10 ถึงสิอินชาอัาลลอฮ์นะครับอายะที่7นะครับอัลลอ์สุฮาห์ต่อรับทรงตรัสว่าอู๊บบินเลหิมินัชเยกาอนิรจีม แล้วดั่งหักน์กล่าวุอัลอาอักษริห์มฟะหุมละยุมินุนแลกวดัหักก์กล่าลุนะครับสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเมื่อประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะอาลานั้นจะเป็นที่สมจริงแล้วกับส่วนมากของพวกเขาฟะหุมละยุมินูนว่าพวกเขานั้นจะไม่ศรัทธา นะครับประกาศสิทธิ์ของอ al ัลลอฮฺอัลก้าลูหมายถึงดํารัดประกาศสิทธิการตัดสินของอัลลอฮฺสุบฮานตานานั้นจะสมจริงแล้วแก่คนส่วนใหญ่จากพวกเขาฟะฮุมลายุมีนูนว่าพวกเขานั้นจะไม่ศรัทธานะครับประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์คืออะไรแล้วคนส่วนม่งของพวกเขาคือใครนะครับแล้วทําไมพวกเขาจึงไม่ศรัทธานะครับเชคมูฮัมหมัดบินซอลและอันอุซัยมีนรอฮีมะฮุลลาห์ตานะครับท่านบอกว่า ลามในคำว่าลาก้อดะตรงนี้นะครับมันเป็นลามที่ใช้กับคำสาบานเป็นลามที่ใช้เชื่อมนะครับพ่วงมากับคำสาบานนั่นก็คือคำสาบานนะมันถูกตัดทิ้งไปในประโยคนะครับก็เหลือลามไว้ให้เป็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์บ่งบอกว่ามันมีก่อนหน้านี้มันต้องมีคำว่าคำสาบานอยู่นะครับเชฟกุสไซเมนก็บอกว่า เป็นกสัมมาหูท uh ักด oh ีร ah ู้หูวะลอฮีขอสาบานต่อ Allah นะครับดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะมีการยืนยันถึง3ประการนะครับการยืนยันถึง3ประการเริ่มต้นประโยคมาก็ถูกยืนยันด้วยกับ3มประการนะครับด้วยกับคําว่าว oh ัลอฮีสาบานต่อล l l a h แล้วก็ยืนยันด้วยกับคําว่าลามและยังไม่พอนะครับมีคําว่าก้อ ที่นำหน้าเฟียรุ่นมาลดีนะครับกิริยาอดีตการเนี่ยก็เป็นประโยชนะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากคาว่าก็ที่นําหน้ากิริยาอดีตการเนี่ยนะครับก็คือการยืนยันมีถึง3ยืนยันด้วยกันนะครับเป็นการยกย่องให้อายะนี้นะครับเป็นอายะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดแล้วก็เดอะฮักก้อนเกาลู นะครับฮักก้อนเกาลู่ก็คือประกาศสิทธิ์การลิขิตนะครับการตัดสินของอัลลอฮฺสุบัานอมตาอัลานั้นมันได้สมจริงแล้วนะครับมันได้สมจริงแล้วแกใครนะครับแกใครแกคนส่วนมากของพวกเขานะครับซึ่งคำว่าฮักก้อนเกาลู่เนี่ยนะถ้าหากว่าใช้นะครับกับ คำว่าเกาลูหรือกาลิมะที่แปลว่าถ้อยคำนะครับของอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาเนี่ยก็คือประกาศสิทธิที่อัลลอฮฺได้ตรัสมันออกมานั้นสมจริงเสมอดังนั้นประกาศสิทธิใดก็ตามที่อัลลอฮฺได้ตัดมันออกมาได้ลิขิตนะครับได้กําหนดมันมาแล้วเนี่ยมันจะสมจริงเสมอนะครับดังมีอายะอื่นๆมายืนยันนะครับอายะนี้อย่างเช่น ในสุรยัในสุรยุนุสอายะที่สาบานะครับที่อัลลอฮฺตรัสว่ากาแดลิกะฮักกัดกะลิมัตุรับบิกะอัลลอละดีนะฟาสะกูอันนูฮุมลายุมีนูนและเช่นเดียวกันนั้นฮักกัดกะลิมัตุรับบิกะประกาสิทธิ์ดำรัดของอัลลอฮซุลฮานตานั้นได้สมจริงแล้วแก่บรรดาผู้ที่ทำความชั่วว่าพวกเขาจะไม่ศรัทธานะครับแล้วก็ใน สุรอกฟิร์ข้อที่หอัลลอฮ์สุลตาก็ได้ทรงตรัสนะครับยืนยันเอาไว้อีกว่าแกซาลิกะฮักกัดกะลีมาตูรับบิกะอัลละดีนะกะฟารูอันนหุมอัลชาบุนนารและเช่นเดียวกันนั้นหรือว่าในทํานองนี้แหละนะครับดํารัสของอัลลอฮ์สุบฮานวมตาลาด ำ, ดำรัสดำรัสของพระเจ้าของเจ้านั้นได้สมจริงแล้วแกบ่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขานั้นจะเป็นชาวนรกนะครับดังนั้น ใครคือคนที่ดํารัตของอัลลอฮฺสุลตานอฺจะปรากิสประกาศสทธิ์ลงบนพวกเขานะครับว่าพวกเขาจะโดนอาบก็คือคนที่เขานั้นปฏิเสธศรัทธาและอัลลอฮฺสุลตานอาก็ทรงรู้ดีว่านะครับบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> การที่คนคนหนึ่งอัลลอฮฺสุลตานอฺให้ทางนํามาแต่เขาไม่เลือกทางนําเขาเลือกที่จะจมปลักนะครับอยู่กับ ความหลงผิดการปฏิเสธศรัทธานะครับจนกระทั่งเสียชีวิตจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างเนี่ยคนเหล่านี้เขาเลือกเองว่าเขาจะอยู่บนความหลงผิดอลัาลลอฮฺซุบฮานาอัลลอฮฺก็จะประกาศสิทธิ์ลงมาว่าคนเหล่านี้จะโดนบทลงโทษนะครับเขาก็จะไม่มีทางได้รับทางนําเป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ของอลัาลลอฮฺซุบฮานาอัลลอฮฺมาประจักษ์ต่อหน้าเขานะครับ เขาก็จะไม่ศรัทธาต่อลอสุมานอตา阿拉นะครับคนที่ดื้อดึงแบบนี้ในโลกดุนยาของเราเนี่ยมีจํานวนมากมายนะครับเราจะเห็นได้นะครับจากตัวอย่างมากมายในโลกดุนยาแห่งนี้แล้วก็ในอันกุรอานก็เล่าถึงเรื่องราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ดื้อดึ ง, งหลังจากที่ได้เห็นสัญญาณต่างๆของอลอสุมานอตา阿拉มากมายนะครับแต่คนที่เขาไม่ดื้อดึงเขาไม่มีอคติในหัวใจ นะครับเปิดใจสแสวงหาสัจธรรมเนี่ยในท้ายที่สุดหลายต่อหลายคนก็น้อมรับสัจธรรมเข้ารับอิสลามนะครับแต่คนที่เขาเลือกที่จะเดินทางหลงผิดจนกระทั่งชีวิตนะครับจบชีวิตของเขาจนกระทั่งวิ ญ, ญญาณออกจากร่างของเขาเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺสัตวานั้นได้ทรงรู้ดีว่าพวกเขาจะเลือกอะไรอัลลอฮฺก็ลงประกาศิทธิมาให้กับพวกเขานะครับว่าพวกเขานั้นจะไม่มีทางศรัทธา ต่อให้จะมีนบีนำมัวจิสาตน์นำสิ่งมหัศจรรย์ที่มาจากอัลลอ์และมนุษย์หน้าไหนก็ตามแต่ที่เห็นแล้วเนี่ยก็นะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ใช่เป็นการกระทาของคนธรรมดาทั่วไปที่จะทำได้นะครับแต่พวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอ์สุบภาโนตาอลาดังนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่สัญญาณมากมายมาหาเขาและเขายังปฏิเสธศรัทธา เขายังดื้อดึงจนกว่านะครับจนกระทั่งชีวิตของเขานั้นนะครับจดจบสิ้นลงเนี่ยคนเหล่านี้อัลลอฮได้ประกาศสิทธิ์แล้วว่าเขานั้นเหมาะสมที่จะได้รับการลงโทษนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุลฮานุตาก็ได้ทรงตรัสไว้ในอายะนะครับสุรอัศศอฟอายะที่5นะครับมาอธิบายนะครับกับบุคคลที่เขานั้นดื้อดึง แล้วก็เลือกเดินหนทางแห่งความหลงผิดด้วยกับตัวเขาเองอัลลอฮ์สุมหาห์นองตาอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็บีบบังคับให้คนนี้เป็นคนชั่วและเป็นชาวนรกสร้างชาวนรกขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้ชีวิตแล้วก็ทําบาปโดยที่เขาเลือกไม่ได้ไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สุมหาห์นองตานั้นให้สิทธิ์เสรีภาพในการเลือกนะครับให้มนุษย์เลือกแล้วก็อัลลอฮ์สุมหาห์นองตาก็ทรงประทานานั้นุรานลงมาอัลลอฮ์สุมหาห์นอตาอาลาก็ทรงนบีมา อัลลอฮ์สุฮาห์ตัลาก็ส่งสัจธรรมมานะครับเป็นหลักฐานยืนยันอันมากมายเป็นหลักฐานนั้นชัดแจ้งนะครับแต่คนที่หลงผิดก็จะเลือกเดินบนทางที่หลงผิดคนที่ได้รับทางนำนะครับเขาก็เลือกเดินบนทางบนอ ย, อยู่บนทางนํานะครับอัลลอฮ์สุฮาห์ตัลาก็ทรงตรัสว่าฟาละมาจากูอาจาอัลลอฮูกูลูบะฮุมและครั้นเมื่อพวกเขานั้นเอ็นเอียงออกไป เอ็นออกไปแสดงว่าพวกเขาเลือกที่จะเอ็งออกไปเองเอลัลลอฮฺซุลมานุตาลาไม่ได้บังคับจิตใจใครอลัลลอฮฺให้เรามีทางเลือกอลัลลอฮฺให้สติปัญญามาอาลัลลอฮฺให้มีนะครับสติปัญญาในการเลือกว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่คนเหล่านี้จากูนะครับเอ็นเอียงออกจากซัจธรรมแล้วหลังจากนั้นอลัลลอฮฺก็อัลลอฮฺซุลมานุตาลาก็ให้หัวใจของเขานั้นเอ็นเอียงออกไปตามที่เขาเลือกนะครับ อัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาได้ทรงมองดูหัวใจของบ่าวของพระองค์นะครับใครก็ตามที่เป็นชาวที่ได้รับทางนําอัลลอฮ์ก็จะให้ทางนําเขาใครก็ตามที่ไม่ใช่หมู่กลุ่มชนที่ได้รับทางนําหรือกลุ่มชนที่เลือกที่จะออกจากทางนําเขาก็จะไม่ได้รับทางนําจากอัลลอฮ์สุฮานห์โนตาลาและอัลลอฮ์ก็จะประกาศสิทธิ์นะครับอัลลอฮ์ Allah สุฮาห์ตาลานั้นจะกําหนดนะครับลิขิตให้ตามที่เขาเลือก นะครับตามที่หัวใจของเขานั้นเอ็ เ, เอียงออกจากสัจธรรมวนอิยาสุบินละขอดูอาจะอัลลอฮฺสวลตานให้เรารอดพ้นนะครับจากหัวใจที่เลือกที่จะเดินอยู่บนความหลงผิดนะครับเพราะวันนี้หัวใจของเราเนี่ยเรากําลังต้องเรากำลังต่อสู้กับมันและต้องต่อสู้กับมันจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่ความหลงผิดอยู่สม่ําเสมอนะครับเราจะต้องต่อสู้กับมันด้วยความสบัดความอดทน พร้อมกับขออุดมอาจากอัลลอฮฺสุบบฮานงอตาอาลาอย่ามั่นใจตัวเองนะครับว่าตัวเองอยู่บนอากีดะที่ถูกต้องตัวเองอยู่บนทางนําตัวเองได้เป็นหนึ่งในคนที่เรียนรู้ศาสนานะครับหลายต่อหลายคนที่รู้ศาสนาก็หลงอยู่บนทางนําได้เช่นเดียวกันนะครับเฟอินเนฮูลายุมินนะครับและคนที่เลือกที่จะเดินอยู่บนทางหลงผิดนะครับจนกระทั่งชีวิตของเขานั้นจบสิ้นลงเนี่ยเขาจะไม่มีทางได้รับทางนํา นะครับอัลลอฮฺอัริหิมอายะนี้นะครับอายะนี้เนี่ยในอายะที่7ของสุรยาสีเน่ยอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะได้ใช้คําว่าอัลลอฮฺอัริหิมแปลว่าคนส่วนมากของพวกเขาแสดงว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่จะหลงผิดและก็มนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดที่จะหลงผิดก็จะมีมนุษย์ที่เลือกทางนํามนุษย์ที่เลือกทางหลงผิดนะครับแล้วก็เขาก็เลือกเอง ดังนั้นอัลลอฮฺสุนาตาจึงสร้างสวรรค์และก็นรกสวรรค์เพื่อตอบแทนคนที่เลือกบนทางถู ก, ถกต้องนรกเพื่อตอบแทนคนที่เลือกบนทางหลงผิดที่ฝ่าฝืนเล่เนรตคุณอัลลอฮฺสุพาห์นอตาอัลานะครับดังนั้นคนส่วนมากถือว่าเป็นคนที่หลงผิดคนที่จะโดนลงโทษนะ่ะเป็นมนุษย์ส่วนมากเป็นผู้คนจํานวนมากจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจากบรรดากุฟาตมุชริกีนจากบรรดาผู้ที่ดื้อดึงต่างๆหลังจากที่อัลลอฮฺสุพาห์นอตาได้ส่ง บรรดารอซูลมานะครับโดยพ้องยิ่งชนอาหรับนะครับชนอาหรับเนี่ยไลซาลาคุลิหิมก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะปฏิเสธศรัทธานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ชนชาติอาหรับนะครับที่บรรดานับีมากมายมหาศาลที่ลงมาในกลุ่มชนพวกเขาเราจะเห็นได้ว่าคนอาหรับน่ยจนถึงยุคปัจจุบันก็มีอาหรับที่เป็นพุทธอาหรับที่เป็นยิวอาหรับที่เป็นคริสเตียนอาหรับที่เป็น นอกกรีตเยอะแยะมากมายอ า, ารับที่ไม่เอาศาสนาเลยก็มีนะครับเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็จะมีกลุ่มชนที่ได้รับทางนําจากอัลลอฮ์สุบฮานอตัดแล้วก็เลือกเดินอยู่บนทางนำนะครับและอย่างเช่นบรรดาบรรดากุฟฟาตมุชริกิในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์ของอาเัย์อุสซาลัมชาวกุเรชเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มที่ปฏิเสธศรัทธากับท่านนาบีแล้วตายไปในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธา นะครับเยอะแยะมากมายต่อให้นบีนั้นนะครับถูกแต่งตั้งนะครับถูกส่งมาในพวกเขาก็ยังมีคนมากมายนะครับที่ปฏิเสธศรัทธานะครับต่อให้ศธรรมอยู่ข้างหน้านะครับศรรมอยู่เบื้องหน้าเขาเห็นด้วยกับตาเนื้อถึงมอจิซาต่างๆสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เขาเห็นด้วยกับตาของเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ปฏิเสธ นะครับด้วยกับการที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลตะลานั้นได้ปิดหัวใจของพวกเขาหลังจากที่เขาเลือกเดินอยู่บนทางหลงผิดดังนั้นวันนี้เราเลือกเองนะครับเราจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์สุบฮานาอัลตะลาได้ส่งสัจธรรมลงมาความเท็จลงมาของดีลงมาของชั่วลงมาความดีลงมาความชั่วลงมานะครับ <c oughs> เพื่อให้มนุษย์นั้นได้ใช้สติปัญญาของเราบวกกับ การตักเตือนที่มาจากอัลลอฮฺและก็รอซูลและก็บรนดาคนดีทั้งหลายตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันและก็จะมีตลอดไปจนถึงวันขียะมะคนที่จะลุกขึ้นมาเตือนว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือการฝ่าฝืนอะไรคือการเชื่อฟังอะไรคือเต่าฮีตอะไรคือชิริกอะไรคือสุนนะอะไรคือบิดอะนะครับจะมีทุกยุคทุกสมัยที่จะมีคนลุกขึ้นมาเตือนนะครับแต่ก็จะมีทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันคนที่จะเลือกอยู่บนทางหลงผิดและคนที่จะเลือกอยู่บนทางนํา นะครับสุดท้ายแล้วโทษใครไม่ได้เลยนอกจากโทษตัวเราเองที่อัลลอให้สิทธิ์เลือกแล้วเราไปเลือกเดินบนทางหลงผิดนะครับดังนั้นก็จะมีกุฟารมุชลิกินในสมัยท่านนาบีที่เห็นหมูจิษาทเห็นการผ่าดวงจันทร์เห็นสิ่งมหัศจรรย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่นบีนำมานะแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังดื้อดึงด้วยกับการอิสติกบาร์นะครับการเยาะหญิงจองหองด้วยกับการดื้อดึง นะครับด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายที่นะครับเป็นสาเหตุทําให้เขาต้องหอยห่างหรือพินหลังให้กับสัจธรรมฟะฮุมลายุมีนูนนะครับและคนส่วนมากของพวกเขาก็คือบรรดาผู้ผู้คนตั้งแต่ยุคกุฟารมุชิติกินาสัายไมนบีแล้วก็นะครับยุคยค ย, คยุคต่อต่อมาเนี่ยคนส่วนมากของพวกเขานั้นจะไม่ศรัทธานะครับไม่ศรัทธาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในโลกใบนี้มีแค่ นะครับจะมีอัลลอฮฺจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มมุมินกับกาเฟรนะครับมุมินกับกาเฟรใครที่เป็นมุมินนะครับเขานั้นปลอดภัยใครที่เป็นกาเฟรบ้านปลายชีวิตของเขาก็นะครับน่าอานาถมากนะครับเป็นชีวิตที่ขาดทุนทั้งดุนยาและก็าอาคีรอดังนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุลฮานตะลาจงรักษาความศรัทธานั้น ไว้จนกว่าชีวิตของเราจะจากโลกดุญยานี้ไปจะจบสิ้นลงนะครับจะรักษามันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ชีวิตทุกคนมุสลิมทุกคนมุมินทุกคนจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทุกๆวันว่าฉันจะรักษา إ ม م ا ن ของฉันได้อย่างไรนะครับการรักษาอิมานนะมันมีด้วยกับหลายสาเหตุนะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูอานะครับดูอา จากอัลลอฮ์สุมาห์นาตาลาให้หัวใจเรานั้นมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์อยู่กับอีมานของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ต้องเลือกสังคมนะครับเลือกสังคมดีๆเพื่อนดีๆคบคนดีๆที่จะนําพาให้อีมานของเรานี่ยมันเพิ่มพูนนะครับไม่ใช่แค่มั่นคงอยู่กับที่อย่างเดียวต้องทําให้มันเพิ่มพูนอย่าให้มันลดนะครับถ้าลดแล้วก็ต้องหาสาเหตุที่จะเพิ่มนะครับแล้วก็เรียนรู้ศาสนานะครับฟังศาสนาอ่านอัลกุรอาน นะครับสาหาสาเหตุที่ทําให้หัวใจของเราอ่อนโยนนะครับให้มันเข้ม แ, แข็งอย่าให้มันอ่อนแอนะครับต้องทําให้ได้ดังนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตาลานั้นท่งบททดสอบมากมายนะครับให้กับหัวใจของมุมินว่ามันจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะชัยตอนไม่ว่าจะทุกสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมานะครับแล้วอัลลอฮฺก็ใส่ความสนุกความสุข ไว้ในสิ่งฝ่าฝืนเนี่ยมากมายนะครับวันนี้คนส่วนมากเริ่มจะหลงทางนะครับไปมีส่วนร่วมกับความผิดบาปนะครับไปเสพติดสิ่งมึนเมานะครับไปไปมีไปทซินาไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ฮาลานนะครับคนจะมากแค่ไหนที่เขารวมตัวกันทําวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้อง เป็นคนแปลกหน้านะครับต้องเป็นคนแปลกหน้าให้ได้ในสภาวะสังคมที่มีแต่ความเสื่อมโทรมนะครับที่ทุกคนนั้นเริ่มจะเดินห่างจากศาสธรรมไปสู่ความมดเท็จความโกหกความเวลว้ายเราก็ต้องยืนหยัดเหมือนไม้ที่มันมั่นคงถูกปักรากฐานเอาไว้พายุพัด ม, มันก็ไม่ปิวไปไหนนะครับเสาหลักที่มันมั่นคง إ ي มานของเราต้องเป็นเช่นนั้น ถึงแม้ว่ามันจะถูกกระทบกระทั่งกระแทกนะครับด้วยกับคำพูดคำจาคำเย้ยหยันนะครับการดูถูกดูแคลนการกดขี่ข่มเหงนะครับเราก็ต้องรักษาอ إ ي มานของเรานะครับจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับดังนั้นอายะนี้นะครับท่านเชคอุัซมีนบอกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้นะครับก็คือตะกี้เดอะคอเบอรฮามนะครับ ในคุรานจะมีประโยคนะครับที่มีการเน้นหนักถึงความสำคัญนะครับด้วยกับการยืนยันด้วยกับถ้อยคำในด้านภาษาเนี่ยไว้ไม่ว่าจะเป็นการสาบานนะครับสาบเที่ยวมาใช้ยืนยันนะครับแล้วก็คำด้วยกับเสี้ยกริยาที่นำหน้าด้วยกับคำว่าก็ หรือลามที่ใช้กับคําสาบานและก็คําว่าวันลอฮีนะครับแล้วก็คําว่าวันลอฮีดังนั้นวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจศัพท์อื่นๆนะครับบางคนไม่ได้เรียนภาษาศัพท์แต่คําว่าวันลอฮีเนี่ยมันคือคําสาบานที่เน้นหนักและยืนยันนะครับว่าประโยคนี้มีความสําคัญที่เราจะต้องตระหนักให้มากนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งอ่านกุณอ่านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆแต่มันได้ข้อคิดข้อเตือนใจอย่างมากมายมหาศาลสําหรับคนที่ไข้ครวญจริงๆ นะครับอายะนี้อายะสั้นๆแต่เราได้รับประโยชน์มากมายนะเป็นประโยคเตือนสำทับสําหรับผู้ศรัทธาจะต้องรักษาอิมานถึงแม้ว่าอิมุมมิ น, นจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับไม่ใช่คนชนกลุ่มมากของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะอัลลอฮฺสุลตราระบอกแล้วว่าคนที่จะถูกประกาศสิทธิ์ว่าเขาจะหลงทางด้วยกับการเลือกของเขาออกจากทางนําไปสู่ความหลงผิดจะเป็นอักเซริฮิมจะเป็นคนหมู่มากนะครับดังนั้น คนหมู่น้อยผู้ศรัทธาจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยก็เป็นไปได้วันนี้ความเป็นมุสลิมก็เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่แล้วผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่แล้วในประเทศประเทศหนึ่งแต่บางทีเนี่ยนะครับในชนกลุ่มน้อยก็จะมีชนกลุ่มน้อยไปอีกชนกลุ่มน้อยที่ยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลละและก็ซุนนะยืนหยัดอยู่บนแนวทางในขณะที่ว่ามุสลิมจานวนมากเนี่ยที่ นะครับหลงผิดไปทําชีริกไปทําบิดะนะครับไปทํามัศเสียไปทำบาปนะครับไปไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทรงฮาตลาจํานวนมากมายแต่ก็จะมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะยืนหยัดมั่นคงยึดมั่นในความถูกต้องของศาสนาอยู่นะครับดังนั้นอายะนี้เป็นอายะที่ยืนยันถึงความนะครับความสําคัญด้วยกับการใช้สํานวนในการยืนยัน ถึง3การยืนยันด้วยกันถึงแม้ว่าอัลลอส์ซุลฮานตาลานะครับจะประทานอายะนี้มาให้พูดกับผู้ศรัทธานะครับแต่มันก็เป็นข่าวหรือว่าการบอกเล่าให้กับผู้ศรัทธานั้นได้รู้ถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่มันได้เกิดขึ้นและก็ให้ระมัดระวังตัวเองถึงรักษาอหมันของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับแล้ว ก, ปก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้นะครับก็คือ ใครก็ตามแต่ที่ประกาศ Allah, สิทธิอัลลอฮ์ซุลมานูตาลาประกาศสิทธิการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ถูกประทับอยู่บนพวกเขาแล้วถูกประกาศสิทธ์ไว้บนพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่มีทางศรัทธาถึงแม้ว่าจะมีนะครับหลักฐานอันชัดแจ้งสัญญาณอันชัดแจ้งจากอัลลอฮ์มาแค่ไหนก็ตามเขาจะเห็นด้วยตาเนื้อของเขาได้ยินด้วยกับหูของเขาสัมผัสได้ด้วยกับประสาสัมผัสทั้งหมดของเขา เขาก็จะไม่ศรัท ธ, ธาเพราะเขาเลือกแล้วที่จะเดินอยู่บนทางหลงผิดเขาก็จะดื้อดึงอย่างนั้นแหละเราจะเตือนเขาหรือไม่เตือนเขาเขาก็จะอยู่บนทางหลงผิดอย่างนั้นนะครับดังที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะต라이ทรงตรัสเอาไว้ในสุรอะซุมรอะยาที่สิบเกาของราตรัสว่าอัฟฟานฮักกาไลฮิกลิมาตุนอาซาบอัฟฟานตะตุงกิสุมันฟินนารและใครนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะต라이ได้ลงประกาศสิทธิ์ว่าเขาจะถูกลงโทษในไฟนรกแล้วเนะี่ย มุฮัมมัดเจ้าไม่มีทางที่จะไปช่วยเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกได้นะครับมุฮัมมัดเจ้าไม่มีทางที่จะไปช่วยเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกได้ถ้าเขาเลือกที่จะดื้อดึงจนกว่านะครับจนวันตายเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะกลับเนื้อกลับตัวและอัลลอฮฺสุลตารู้ทั้งหมดเลยความรู้ของอัลลอฮฺสุลตานั้นมาก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้สร้างสิ่งถูกสร้างนะครับก่อนห0 0 0มื่นปะีอัลลอฮฺรู้มาหมดแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น คนคนหนึ่งจะตายไปในสภาพที่ดือะะ้อรับปฏิเสธศรัทธาจนตายคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเมื่อบั้นปลายชีวิตคนคนหนึ่งจะยืนหยัดอยู่บนความดีแล้วสุดท้ายหลงคนคนหนึ่งหลงมาก่อนแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้ยืนหยัดอัลลอฮฺสุตราลู้ทั้งหมดนะครับคนคนหนึ่งจะเป็นผู้ศรัทธาแล้วตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาคนคนหนึ่งจะปฏิเสธศรัทธามาก่อนแล้วเข้ารับอิสลามแล้วตายในสภาพผู้ศรัทธาอัลลอฮฺรู้หมดเลยนะครับ <D 3> ดังนั้น เป็นจึงเป็นเรื่องปกติเรื่องง่ายมากสําหรับอลัลลอฮ์ในการที่อลัลลอฮ์จะบันทึกและประกาศสิทธิ์ลงมาว่าใครเป็นชาวสวรรค์และใครเป็นชาวนรกเพราะอาลัลลอฮ์รู้แล้วว่าใครจะเลือกอะไรนะครับไม่ได้หมายความว่าทําไมอลัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วอัลลอฮ์ก็จับเราลงนรกทําไมอลัลลอฮ์สร้างคนนั้นมาทําไมอลัลลอฮ์จับเขาขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เพราะอาลัลลอฮ์รู้ทั้งหมดว่าเขาจะตายในสภาพอะไร อัลลอฮ์ก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนรกแสดงว่าที่นั่งของเราในสวรรค์และนในนรกเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะครับแม้กระทั่งตัวผู้พูดตัวผู้ฟังนะครับอลัลลอฮ์สุลตานได้บันทึกไว้หมดแล้วว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกขออุดมใจจากอาลัลลอฮ์สุลฮานุตะให้พวกเราทั้งหลายนะเป็นชาวสวรรค์ของอลัลลอฮ์สุลฮานุตะละ นะครับขอให้เราหัวใจของเรานั้นยึดมั่นอยู่ในาศาสนาของเราขอให้หัวใจของเรานั้นรักในความดีงามจนกว่าชีวิตของเราจะหามาดนะครับแล้วก็ประโยชนะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้นะครับนั่นหมายอัสซุมปารายทรงตรัสว่ากูเรชมุชริกีนะักกูเรชนะครับบรรดากูเรชเนี่ยที่ปฏิเสธ ร, รอซูล น, นะครับก็ยังมีบางกลุ่มที่เขาไม่ได้รับประกาศสิทธิ์ว่าจะเป็นชาวนรก นะครับช่วงต้นเขาอาจจะเป็นผู้ฝ่าฝืนนะครับเหมือนกับท่านอุมัดครั้งหนึ่งในหัวใจเนี่ยอยากจะไปฆ่าท่านอบีแต่สุดท้ายแล้วเป็นใครครับเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วกลายเป็นผู้ที่ถูกบันทึกชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายนะครับผู้ที่ถูกรับรองสวรรค์บรรดาซาบ้าหลายคนก็เคยเป็นกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาสุดท้ายแล้วเข้ารับอิสลามกลายเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักที่สุดและพอพระทัยที่สุดนะครับ ดังนั้นเราไม่รู้ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรในบ้านปลายชีวิตแต่หน้าที่ของเราจะต้องประคับประคองนะครับชีวิตของเราให้อยู่ในคันลองของอันอิสลามให้มากที่สุดถ้าวันนี้นะครับเรากําลังอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่นะครับอยู่ในสภาพที่กําลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุลต่านต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีกลับมาหาอัลลอฮ์สุลต่านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพื่อที่ เรานั้นจะได้รับเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์รับเตาบัดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุลฮานุตาละนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้ก็คืออัลลอฮ์สุลฮานุตาชี้ให้เราได้เห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องมุ่งหาอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ผู้สร้างชั้นฟ้าผู้สร้างแผ่นดินผู้ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินทั้งหมด อย่าได้มั่นใจนะครับเชคโซละอุไซมีเนี่ยบอกว่าอย่าได้มั่นใจนะถึงอย่าได้มั่นใจหัวใจตัวเองอย่าได้มั่นใจกับการความเชื่อของตัวเองอย่าได้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะปลอดภัยและรอดนะครับอย่าไปมั่นใจอย่างนั้นเพราะชัยตอนนะ่ะนะครับมันจะทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าฉันเนี่ยอยู่อากิด้ที่ถูกต้อง นะชีวิตของฉันอยู่บนการเรียนศาสนาชีวิตของฉันอยู่กับกละหมาดอยู่กับการถือสิ้นอดอยู่กับการใจสาการอยู่กับอันอิสลามอย่าคิดนะครับว่าชัยตอนจะมาครอบงําเราไม่ได้เพราะว่านะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะพยายามสุดความสามารถเหมือนกันที่จะดันหนุนหนุนให้เราไปทําความผิดและพร้อมกับชัยตอนล่อลวงดังนั้นจงเป็นผู้ที่อยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาขอดูอาจากอัลลอฮ์ตลอดเวลา นะครับให้อัลลอฮ์สุฮาห์โนตาลาให้เรานั้นมั่นคงและยืนหยัดนะครับเพราะกิจการงานทั้งหมดอยู่กับอัลลอฮ์สุฮาห์โนตาลาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮวงเลวซัลลัมนะครับจะขออุดมอาอยู่บทหนึ่งจนกระทั่งว่าอุมูซัลลัมนะครับรอดิยัลลฮขออันฮานะประหลาดใจว่าท่านหลัดซูลุลลอฮทำไมขออุดมอาบทนี้บ่อยครั้งมากๆนะครับแล้วนบีก็บอกหัวใจของผู้ศรัทธาน่ยมันอยู่อยู่ ระหว่าง2นิ้วของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพิกแทงมันไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงหลังหลักหลังจากที่เราเลือกลงที่จะอยู่บนทางของหลงผิดอัลลอฮ์ก็พิกมันไปตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์หลังจากที่เราได้เลือกแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นนบีขอดูอ้ายอยู่บนหนึ่งว่ายาโมกลิบันกุลุซับบิดกุลุบานาอัลาดีนิกซับบิดกัลบีอัลาดีนิกโอ้ผู้พิกผันหัวใจ นะครับโปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นมันมันม่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาอย่ามั่นใจกับหัวใจตัวเองนะครับอย่าปล่อยปะละเลยอย่าทะนงตนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองนั้นอยู่บนอากีระที่ถูกต้องแล้วแล้วจะไม่มีทางหลงนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องขออุทิศจารย์ล้อสุนทรภัตตาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับ แล้วอายะห์ต่อมานะครับในอายะห์ที่8อัลลอฮ์สุฮาน์ตอนฮูวาตาลราได้ทรงตรัสอีกนะครับว่าอินนาเจ้านนาฟีอานาคิฮิมอักลาลฟาเฮียอิลันอัลก้อนีฟาฮุมมุกมะฮูนและเราได้ทำให้นะครับในคอของเขานั้นถูกพันธนาการถูกล่ามฟาเฮียอิลันอัลก้อนีและมันถูกล่ามไปจนถึงคาง ฟะฮูมุกมาฮูนในสภาพที่ศีรษะถูกยกขึ้นมานะครับในสภาพที่ศีรษะยกขึ้นมาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะพันธนาการจะมัดนะครับมัดที่ต้นคอของเขาไปถึงคางของเขาและในสภาพที่ศีรษะของเขาเงยเงยขึ้นมานะครับอายะนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับท่านเชคโซและอุไซมีนะบอกว่าคําว่าอัลลัลลันในภาษาอ раб เนี่ยนะครับ หรือมาจากคาว่าอันรุ่ลูหรือกอนลูนะครับหรือว่าก้อนแร่ยาเล่น ล, ลูที่แปลว่ามัดส่วนมากแล้วจะใช้กับคําว่ามัดที่ข้อมือหรือมัดที่มือนะครับดังนั้นอาญะนี้เนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮฺจะมัดที่คอและไปถึงคางเนี่ยแสดงว่ามือนั้นนะครับก็จะมีส่วนถูกมัดด้วยเพราะคําคํานี้นะครับพื้นฐานเดิมจะใช้คู่กับการมัดที่มือดังนั้น เชฟุไซมนก็บอกว่าการมัดจะต้องมีลักษณะแบบนี้มัดที่คอนะครับแล้วก็มือนะ่ะประสานกันนะครับแล้วก็ถูกมัดให้ดันคางเอาไว้แบบนี้นะครับให้ดันคางาไว้แบบนี้ในสภาพที่อยากจะก้มก็ก้มไม่ได้นะครับถูกดันเอาไว้แบบนี้ให้ศีรษะมันถูกยกขึ้นมาถูกดันเอาไว้แบบนี้แล้วก็รัดถึงคอนะครับลักษณะแบบเนี้ย นะครับเช็คอุซมินบอกว่าลองนึกภาพดูเป็นลักษณะที่น่าสมเพชนะครับเป็นลักษณะที่น่าสมเพชมากๆเพราะการถูกพันธนาการน่คือการปลดเอาอิสรภาพออกจากตัวเขาเป็นที่รเรียบร้อยและในสภาพที่วันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคนคนหนึ่งถูกมัดขามัดเขา่ามัดมือแล้วก็ดันคางเอาไว้แล้วก็รวบ ตั้งแต่คอลงมาแล้วก็ข้อมือเนี่ยรวบอย่างแน่นจนกระทั่งว่าศีรษะมันหันไปไหนไม่ได้จะก้มก็ไม่ได้นะครับจะหลบสายตาก็ไม่ได้นะครับนี่คือสภาพที่น่าสมเพชแต่อายะนี้เนี่ยไม่ใช่อายะสภาพของชาวนรกนะครับอัลลอฮ์ทรงอัลลอไม่ได้บอกถึงไม่ได้บอกอายะนี้ว่าสภาพชาวนรกจะเป็นอย่างนี้แต่อัลลอ์เปรียบเปยว่าคนคนหนึ่ง ตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับสัจธรรมก็อยู่ข้างหน้านะครับสัจธรรมสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ซุลฮานุตาลาได้ทรงประทานลงมาบนโลกใบนี้มีมากมายเหลือเกินในการที่จะยืนยันกลับไปว่าโลกนี้มีผู้สร้างมีมากมายเหลือเกินทั้งกรุรอานนะครับที่มายืนยันการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์การยืนยันการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของอัลลอฮ์ผู้ที่ถูกกราบไหว้แต่ เพียงผู้เดียวของอัลลอฮ์ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุหานอตาลานั้นเป็นผู้ที่นะครับเป็นพระเจ้าที่ไม่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ซุหานอหัวตะอาลาเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายแต่เชไหนเล่าจึงมีคนที่ยังปฏิเสธศรัทธาทั้งยุคที่มีนบีมีชีวิตอยู่หรือยุคหลังจากนี้นะครับยุคที่นบีมีชีวิตอยู่นั้นจะโดนลงโทษหนักยิ่งกว่านะครับคนในยุคหลังๆการปฏิเสธ ใ, ในยุคที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยแน่นอนครับข้ออ้างนั้นหมดไปแล้วไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นในการที่เขาเห็นทั้งมว่งจีดัตสิ่งมหัศจรรย์เขาเห็นถึงคําสอนของท่านนบีที่มันมีความพิเศษที่มันไม่ได้มาจากท่านนบีที่มันจะต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยแต่เขากลับปฏิเสธศรัทธาอาญะนี้จึงมาเปรียบเปยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ เขาจะถูกดันให้หน้าเขายกขึ้นมาเพื่อมองเห็นสิ่งถูก บ, งบงังนะ ค, บบงคับให้มองเห็นความจริงนะครับถูกบังคับให้มองเห็นความจริงแต่เขากลับไม่มองมันนะครับพยายามจะหันหน้านี้ก็หันหนีไปไหนไม่ได้เพราะความจริงมันถูกประจักษ์ทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนกับเอามือดันไว้ที่คางแล้วก็ถูกรัดนะครับไม่สามารถที่จะหันไปไหนได้ถูกบังคับให้เงยศีรษะขึ้นมาให้มองเห็นสัจธรรม นะครับแต่คนเหล่านี้นะครับนักตัปซีดบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกนะครับถูกออมอบศัจธรรมจนกระทั่งถูกประจักแจ้งด้วยกับสายตาของเขาแล้วแต่เขาก็จะหลับตาหนีนะครับถึงแม้ว่าจะเอามือดันอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ให้เงยหน้าขึ้นมามองเขาก็จะหลับตาหนีด้วยกับการดื้อดึงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นนี่คือการเปรียบเปยให้เราเห็นภาพนะครับคนที่อัลลอ สุมาห์ตะลาให้ศัจธรรมอยู่เบื้องหน้าเขาเหมือนกับให้เอามือมา ม, มัดแล้วดันแล้วก็เงยหน้าให้มองถูกบังคับให้มองแต่เขาก็จะหลับตาหนีวานิยาสุบิลละเราจะเห็นได้นะครับถึงสภาพนะครับที่เลวร้ายที่น่าเป็นห่วงของคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกาเฟต ท, ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ดื้อดึงหรือมุสลิมบางคนที่ดื้อดึงต่อสัจธรรมนะครับแต่สภาพของมุสลิมกับกาเฟตไม่เหมือนกันแน่นอน นะครับถ้าเขาไม่ดื้อดึงจนสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแต่บางคนดื้อดึงต่อสุนนะดื้อดึงต่อแบบฉบับของท่านนาบีไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ยอมที่จะนะครับเปิดใจรับสัาธรรมที่เป็นสุนนะของท่านนาบีนะครับจมอยู่กับการหลงผิดที่เป็นบิาดอลาอัลลอฮ์ละทั้งหลายนะครับ ท, ทั้งทั้งที่ <c oughs> สุนนะเหล่านี้นะครับถูกสอนถูกถูกชี้แจง ถูกขยี้ให้เห็นว่านี่คือสุนทรที่แท้จริงแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เรียนไม่ศึกษานะครับเหมือนกับถูกบังคับให้เห็นความจริงแล้วแต่เขาก็หลับตาหนีนะครับเหมือนกับบรรดาพวกกูฟานมุชิกรนในยุค ป, ปัจจุบันและยิ่งจะเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นกับบรรดาผู้ที่ไม่เอาพระเจ้าหรือปฏิเสธพระเจ้าน่ยนะครับที่รู้ทั้งรู้บางคนรู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่กปฏิเสธด้วยการเย่อหยิ่งจองหงไม่ยอมรับสัตธรรม เหมือนกับคนที่ถูกมัดมือแล้วก็ให้หน้ามันถูกเงยขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ถูกให้จ้องไปหาสัจธรรมแต่เขาก็ปิดตาหนีนะครับว่าอิยาซูบิลล์นะครับคนเหล่านี้มีอยู่จริงในยุคในสังคมยุคปัจจุบันคนที่ดื้อดึงก็ดื้อดึงจริงๆนะครับต่อให้คนที่มีฮหกมะวิทยปัญญาแค่ไหนคนที่จะตอบโต้นะครับหักล้างเก่งแค่ไหนแต่คนถ้าจะไม่เอาเขาก็จะไม่เอา นะครับวันนี้เราจะเห็นสภาพคนเหล่านั้นมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เป็นการเปรียบเปยโดยที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงและมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและกุศอ่านก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับการเปรียบเทียบตรงนี้การยกตัวอย่างตรงนี้ทั้งในยุคอดีจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ได้เห็นภาพอย่างมากเลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถูกมัดให้ดันค้างขึ้นให ศีรษะมันเงยขึ้นมันยกขึ้นตาให้มันถูกจ้องมองไปเห็นสาจธารมแต่เขาก็จะปิดตาหนีไม่มองสุดความสามารถที่จะไม่เอาคือไม่เอาก็ยังไงก็คือไม่เอาไม่เอาจนตายนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นคนดื้อเนี่ยดื้อจนตายนะครับดื้อจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างเลยก็มีนะครับมีมากมายเหลือเกินและสุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่เขากลับไปยินอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จะเป็นวันที่เขาเสียใจที่สุดนะครับเสียใจที่สุดนะครับ ในพฤติกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับและอัลลอฮ์ทรงฮะตาลาก็ได้เปรียบให้เห็นอีกอายาหนึ่งอายาเมื่อกี้นะครับก็ชัดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็เปรียบให้เห็นอีกอายาหนึ่งถึงคนที่ดื้อดึงศัสนาธรรมต่อศัสนาธรรมศัสนาธรรมมีอยู่เบื้องหน้าเขาแต่เขาก็ดื้อดึงนะครับอัลลอฮ์ก็ตัดเอาไว้ในในอายาที่เก้าของสุรยาศีนไว้อีกว่า ว่แบนีอ็ดีหิมสัตต์ดูว่ลฟชหุมะหุมและยุเบศรูและเราได้ทำให้เบื้องหน้าของเขามีที่กัน้นเบื้องหลังของเขามีที่กัน้นและเราจะปกคลุมมันอย่างมิดชิดจนกระทั่งเขามองไม่เห็นนะครับคนที่เลือกที่จะดื้อดึงจนกระทั่งเหมือนกับมือถูกมัดกับท้ายทอย แล้วเอามือดันที่คางให้ยกขึ้นมามองสัจธรรมแล้วเขาก็เลือกที่จะปิดตาหนีหรือนะครับเขาไม่สนใจต่อให้อยู่เบื้องหน้าเขาเนี่ยอัลลอฮ์ซุลฮานุตาอัลาก็จะให้เป็นไปตามที่เขาประสงค์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะกั้นเลยคนที่เลือกที่จะไม่เอาซึ่งความจริงแล้วจนกระทั่งตายเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีว่าใครจะตายในสภาพไหนน่และสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอัลล์ซุฮานตอลาก็จะให้เบื้องหน้าของเขามีที่กั้น เบื้องหลังเขามีที่กั้นและอัลลอฮฺะจะปกคุมอย่างมิชิดจนกระทั่งเขามองไม่เห็นสัาธรรมและศาสนาธรรมก็ไม่มาหาเขานะครับเพราะคนเหล่านี้นเขาเลือกแล้วนะครับที่เขาจะอยู่บนความหลงผิดนะครับวันอิยาสุบินละวันิยาสุบินละเป็นสภาพที่น่ากลัวมากๆนะครับวันนี้เราจะเห็นได้คนบางคนตาดีหูดีนะครับพูดได้มือไม้อวัยวะครบทุกประการแต่ เขาไม่เคยใช้อวัยวะของเขาตาเขามองสัจธรรมหูเขามองสัจธรรมปากเขาพูดแสวงหาสัจธรรมเขาไม่เคยเลยนะครับเหมือนกับมีตาก็เหมือนกับไม่มีมีหูก็เหมือนกับไม่มีนะครับมีตาหามีแววไม่นะครับปากที่ใช้พูดได้ก็ไม่เคยพูดแสวงหาสัจธรรมพูดในเรื่องสัจธรรมเลยเหมือนกับมีตาก็ถูกปิดมีหูก็ถูกปิด มีป่าก็ถูกปิดมีอวัยวะประสาทสัมผัสทั้งหลายถูกปิดทั้งหมดนะครับนี่คือพฤติกรรมความดื้อของคนที่เลือกที่จะอยู่บนความหลงผิดจนตายวรนยาสุบินละและการที่บอกว่านะครับอลัลลอฮฺจะปิดทั้งหน้าปิดทั้งหลังเนี่ยก็คือจะไม่เลื่อนไปข้างหน้าจะไม่ก้าวไปข้างหน้าจะไม่นะครับย้อนเดินไปกลับหลังจะไม่ไปขวาจะไม่ไปซ้าย คนเหล่านี้จะอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่จะอยู่บนความหลงผิดและดื้ออยู่บนความหลงผิดและจะมีใครฉุดเขามาข้างหน้าเขาก็ไม่ไปจะมีคนดึงเขากลับมาเพราะว่าข้างหน้ามีไฟนรกมีความหลงผิดอยู่ดึงเขากลับมาเขาก็ดื้อที่จะไม่ไปจะดึงไปขวาก็ไม่ไปดึงไปซ้ายก็ไม่ไปเขาจะอยู่ตรงนั้นเหมือนกับอัลลอฮฺบอกว่าฟาอัคชัยนะุมเราจะปิดให้เขามิดชิดและเขาจะไม่เห็นอะไรเลยคนเหล่านี้มีอยู่จริงครับและมี ผมเคยเห็นหลายต่อหลายคนที่หลงผิดจนตายฝ่าฝืนจนตายทำชีริกจนตายทำบินอ่าน จ, จนตายนะครับเราจะเห็นคนเหล่านี้มีอยู่จริงในสังคมเพราะเขาเลือกเองไม่ใช่อัลลอฮ์บังคับให้เขาไปทําความชั่วนะครับแต่เขาเลือกเองและสุดท้ายแล้วเมื่ออัลลอฮ์รู้ดีว่าเขาเลือกจนตายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะนะครับประกาศสิทธิ์การลงโทษมาให้กับคนเหล่านี้และในตอนมีชีวิตอยู่นะครับสัจธรรมอยู่เบื้องหน้า เขาถูกให้เห็นถูกสัจธรรมถูกประจักษ์เขาก็จะปิดตาหนีแล้วก็อัลลอฮ์หลังจากนั้นเมื่อเขาเลือกที่จะปิดตาหนีอัลลอฮ์ Allah สุฮาห์อัลตาราก็จะนะครับให้ข้างหน้าก็ถูกปิดข้างหลังก็ถูกปิดปิดทั้งหมดจนกระทั่งไม่เห็นสัจธรรมและสัจธรรมก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาหาเขาได้นะครับดังนั้นเชคโซล่าอุไัยม้ น, นะครับมูฮัมหมัดเบนโซล่าอุไซเม้นท่านก็บอกว่าทั้งสองอายาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้รับประโยชน์นะ ประโยชน์ที่เราได้รับจากอาญาทั้งสองที่ผ่านมานะครับก็คืออัลลอฮสุบฮานะฮวตะาอาลานั้นเมื่อพระองค์อัลลอสุบฮานะฮุวตะอาลานะครับจะปิดอีมานกับใครสักคนหนึ่งที่เขาได้เลือกที่จะลงผิดแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีสภาพเหมือนกับคนที่อะไรครับเหมือนคนที่ถูกมัดมือดันที่คางมัดมือแล้วไปนะครับรวบไว้ที่คอเพื่อจะดันศีรษะขึ้นมาแล้วก็ปิดตาไม่มองอัลลอ บังคับให้เห็นสนาธรรมอยู่ข้างหน้านะครับเอาล่อให้สนาธรรมเห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแบบปฏิเสธไม่ได้เลยแต่เขาก็เลือกที่จะปิดสายตาของเขานะครับคนแบบนี้มีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกุฟฟาตมุชลิกินในสมัยของท่านนาบีที่เห็นมูอฺอัจิษัดเห็นอูดออกมาเนคนหมู่ชนของนบีซอลล้วอูดเดินออกมาจากก้อนหินก็ยังไปฆ่าอูดนะครับเห็นเรือของนบีนัวที่ยิ่งใหญ่น้ําท่วมโลก เห็นอะไรต่อมีอะไรมากมายที่เป็นมุอดจิจั์เห็นการเอาไม้เท้าตีไปที่น้ำแล้วก้นน้ำทะเลแหวกออกเป็น12เป็สเส้นทางนะครับพวกเขาก็ยังปฏิเสธศรัทธาได้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เขาทุกคนทุกผู้ที่มีสติปัญญาจะยอมรับทั้งหมดว่ามันไม่ใช่นะครับการกระทำตามธรรมชาติที่อัลลอฮฺทรงปะานให้ความสามารถมนุษย์มา มันผิดธรรมชาติไปแล้วมันต้องเป็นความสามารถที่มาจากผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่พวกเขาก็เลือกที่จะปิดตาลงมานะครับและนี่คือประโยชน์ที่หนึ่งนะครับประโยชน์ที่สองก็คื อ, อ, อคนที่มีสภาพที่ฝ่าฝืนเนี่ยที่อลัลลอฮฺทรงตรามัดมือของเขาแลดันคางของเขาไว้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยชัยตอนมีอิทธิพลกับเขาอย่างมาก ชัยตอนจะยิ่งมีอิทธิพลกับเขาหลังมากเมื่อหลงผิดแล้วชัยตอนก็จะล่อลวงให้เขาหลงผิดหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาไปพบประสบกับความหลงผิดและก็การลงโทษอันเจ็บปวดนะครับเราลองดูเชโกเซมินบอกว่าให้เราลองดูนะสิ่งที่มาประสบกับนบีอาดามัมกับท่านหญิงฮาวานะนะครับเป็นยังไงชัยตอนเนี่ยมันจะทำทุกวิถีทางที่จะทาให้คนคนดีหลงผิดและในสุดท้ายมันก็สาเร็จ กระทั่งมันทําได้แม้กระทั่งคนที่เป็นนบีที่ إ ي م านสมบูรณ์มากกว่าเราเอาลอสวงอัลตาลากําหนดให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เตือนผู้ศรัทธาว่าคนที่ إ ي م านดีกว่าเราร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าล้านเท่าก็เคยพลาดมาแล้วแล้วอย่าชะล่าใจนับภาษาอะไรกับหัวใจอ่อนแอของพวกเราที่ إ ي م านก็ยังไม่มั่นคงเนี่ยจะมีความชะล่าใจว่ายังไงฉันก็รอดนะครับยังไงฉันก็รอด นะครับลองดูนะครับชัยตอนมาวิธีที่หนึ่งบอกว่าบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้สุดท้ายแล้วมาเห็นท่าไม่ดีละล่อลวงยังไงก็ไม่เชื่อสาบานเลยว่าฉันเป็นคนฉันสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันเตือนท่านด้วยความจริงใจฉันรักท่านสุดท้ายแล้วก็หลงกลชัยตอนนะครับก็เลยไปฝ่าฝืนในสิ่งที่อลัลลอฮ์ห้าม แต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้กับนบีของอัลลอฮ์สมานในฮุกตาอัลาเพราะนาบีทุกคนเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักและการผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบรรดานาบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาก็ผิดพลาดได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วการผิดพลาดของนบีจะถูกลบล้างและก็หัวใจของนบีจะสํานึกผิดในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือนบีที่มีความแตกต่างกับพวกเรานะครับและขนาดนาบียังถูกล่อลวงจากชัยตอนได้แล้วเราล่ะครับ เราอย่าชะล่าใจนะครับว่าเราจะรอดเราจะปลอดภัยเรานะครับถ้าเราจะถ้าเราจะหลงถ้าเราจะร่วงเนี่ยเราจะร่วงและจะหลงก่อนบรรดา น, นาบับีนะครับดังนั้นอย่าชะล่าใจนะครับมินฟาวะอิอายะไตนินการีมาไตนิอันนาฮ่าอุลาอีกอัตฮะจับันฮุมอันฮุดานะครับคนเหล่านี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้เปรียบเปยให้เห็นน่ยคือ เมื่อเราปิดหัวใจเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ก้าวไปข้างหน้าเขาจะไม่ถอยหลังเขาจะอยู่อยู่กับที่หมายถึงจะดือ้อดึงจะไม่รับฟังใครทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายแล้วเขาจะไม่มีการเห็นสัจธรรมและจะไม่มีการศรัทธาเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นอนันะครับดังนั้นเชคกุสัซมินก็บอกว่าประโยชน์ต่อมานะครับเป็นการเตือนมนุษย์นะครับสหรับบางคนที่ยังอยู่บนความหลงผิดนะครับอยู่บนความหลงผิดเนี่ย เขาก็อาจจะมีสภาพเหมือนคนเหล่านี้ก็ได้ต้องระมัดระวังเมื่อไรก็ตามที่ท่านเห็นว่าตัวท่านกําลังออกห่างจากทางนําอยู่บนความหลงผิดอยู่บนการฝ่าฝืนน่ยท่านกําลังอยู่บนความอันตรายนะท่านจะต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นและกลับเนื้อกลับตัวอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเห็นว่าตัวของท่านนั้นนะหัวใจของท่านเปิดรับความจริงอยู่บนสัลธรรมอิมานของท่านเพิ่มพูนท่านอยู่บนความดีงาม นะครับต้องรีบที่จะขอดุอาจอากอัลลอฮ์ให้เรารักษามันเอาไว้นะครับดังนั้นบุคคลที่อลัลลอฮ์สุฮาตลาปิดหัวใจของเขาคือเลือกที่จะเดินทางบนความหลงผิดแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาสู่แนวทางที่จะทำได้ถ้าเขาเลือกที่จะหลงผิดตามที่เขาเลือกอลัลลอฮ์จะเลือกอลัลลอฮ์สุฮาตลาจะนะครับลิขิตไปตามที่คนนั้นเลือกแล้วถ้าเลือกจนตายอาลัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจเขาถูกปิดหมดเลยทุกวิถีทางทุกประตูแห่งความ ชั่วร้ายก็จะเกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วก็อายะต่อมานะครับวะสาวะอุนอาเลหิมอันซัตหุมอัมลำตุงเซรหุมลายุมีนูนนะครับและมีผลเท่ากันนะถึงแม้ว่าเจ้าจะเตือนเขาโอ้โมหฮัมมัดเอ๋ยท่านจะเตือนเขาหรือไม่เตือนเขาเขาก็จะไม่ศรัทธาเพราะเขาเลือกแล้วที่จะตายบน ส, สภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าเท่ากันเลย จะปล่อยเขาไว้หรือจะไปเตือนเขาก็ค่าเท่ากันนะครับก็ค่าเท่ากันดังนั้นนะครับตรงนี้นักวิชาการมีบางคนก็บอกว่านะครับบางคนก็บอกว่าคนที่หลงผิดแล้วเนี่ยนะครับคนที่หลงผิดแล้วเนี่ยนะหรือว่าคนที่ดื้อดึงแล้วเตือนแล้วก็ไม่ยังผลอะไรเนี่ยก็หยุดเตือนจบไม่ต้องเตือนหมดหน้าที่ของเรานะครับ แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ายังไงก็ต้องเตือนต่อไปอย่าได้หยุดยั้งนะครับเพราะพื้นฐานของการที่ไปเตือนเขาเนี่ยเราได้รับผลบุญแล้วและมันอาจจะเป็นสาเหตุไปกระตุ้นเขาให้เขานั้นได้กลับเนื้อกลับตัวให้มากยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่อย่างเช่นเราไปเตือนแค่ครั้งเดียวสัก2ครั้ง3ครั้งครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่นับเพราะครั้งเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการเตือนที่น้อยมากๆ แต่2ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วหาวิธีแล้วเขาก็ยังดื้ออยู่และยังไม่พอนะครับยังมีการเย้หยันนะครับการดูถูกดูแคลนนะครับการด่าทอกลับมาเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีอื่นและจะต้องไม่หยุดยั้งในการเตือนนะเพราะการเตือนทุกครั้งที่มีการเตือนมันคืออีบาดามันคืออีบาดาที่ยิ่งใหญ่เพราะมันคือการห้ามปราบความชั่วแต่เราอาจจะหาวิธีอื่น นะครับต้องทําทุกวิธีทางที่เราจะส่งสารไปยังเขาว่าเขากําลังถูกเตือนให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดกับเขาโดยตรง ผ, นนผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ผ่านโฟสเฟส a c e b o o k ผ่านนูน่นผ่านนี่ผ่านอะไรก็ตามที่เป็นการสกิดนะ่ยมันเคย อ, อีบาร์ไดมันคือผลบุญที่ยิ่งใหญ่และมันอาจจะเป็นสาเหตุให้วันหนึ่งเขาได้กลับเนื้อกับตัวก็ได้นี่คือมุมมองของนักวิชาการนะครับที่บอกว่าสวะอุนอาไลฮิมถ้าเท่ากัน เตือนไม่เตือนก็เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนดื้อและเขาเลือกเดินบนหนทางที่หลงผิดแล้วแต่เชคุสัยมินก็บอกว่าอุลมามะก็มีนะครับสอมุมมองนะครับมุมมองที่1ก็คือว่าถ้าเตือนแล้วดื้อก็จบนะเตือนแล้วสองครั้ง3ครั้งดื้อก็คือจบหมดหน้าที่นะครับแต่ถ้าเตือนตลอดไปยิ่งดีที่สุดถ้าทำได้การเตือนอยู่ไปเรื่อยๆนะครับอ ย, อย่างต่อเนื่องทาบ่อยครั้ง และมันคือผลบุญที่จะกลับมาหาผู้เตือนถึงแม้ว่าเขาจะยังดื้ออยู่แต่เราได้รับผลบุญอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับอาย่านีนะ้เราได้รับประโยชน์อะไรจากอาย่านี้ใช่กุสัมินบอกว่านะครับคนที่ปฏิเรรสธรอซูลคนที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยเขาจะไม่สนใจอะไรเลยสภาพของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ารอซูลจะไปเตือนเขาจะมีคนไปเตือนเขาหรือเขาจะ จะไม่มีใครเตือนเลยเขาก็จะอยู่สภาพนั้นไม่มีผลอะไรเลยกับเขากับการเตือนที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีใครมาเตือนแล้วหัวใจเราหัวใจของเราเนี่ยมันคัดค้านนะครับแต่การเตือนนั้นต้องเตือนอย่างถูกต้องด้วยเตือนด้วยกับเฮกมาเตือนด้วยกับวิธีการเตือนด้วยกับมารยาเตือนด้วยกับเหตุผลที่ลุ่มลึกนะครับเหตุผลที่ดีงามเหตุผลที่เหนือกว่า ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วแล้วหัวใจเรากลับคัดค้านมีคนมาทําอย่างนี้กับเราแล้วเราหัวใจรองเราคัดค้านเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเราอันตรายป่วยหนักแล้วแต่ถ้าวันนี้คนที่มาเตือนเราใช้คําไม่ดีคดําสบทคําด่าคํารุนแรงหรือใช้ไม่ใช้ฮิกมะเหตุผลวิทยาปัญญาในการเตือนแล้วเราไม่พอใจกับรูปแบบวิธีการอันนี้เรายังไม่ผิดเพราะรูปแบบวิธีการมันไม่ถูกต้องมันอาจจะกลายเป็นการประจาน แล้วคนประจาน ก, ก็รู้สึกอับอายแล้วเขาก็เลยถอยห่างออกไปเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนเตือนด้วยนะครับเราอย่าคิดนะครับว่าก็ฉันเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเองเดี๋ยวเอาเราจัด ก, การเขาเองนะครับบางทีเราอาจจะโดนบทลงโทษเองก็ได้ในการที่เราเตือนด้วยกับวิธีการที่ผิดที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งทําให้คนเนี่ยหันห่างออกจากอิสลามออกไปด้วยกับถ้อยคําของเราวิธีของเรา นะครับรูปแบบของเราอะไรต่างๆนานาดังนั้นอย่ามั่นใจว่าหรืออย่าเข้าข้างตัวเองว่าก็ฉันเตือนแล้วเขาดือ้อบางทีวิธีการของเราไม่ถูกต้องก็ได้เขาเลยดือ้อนะครับลองเปลี่ยนวิธีการทำให้มันดีขึ้นตามแบบฉบับของท่านนาบัีเพราะการเตือนการได้ว่าเป็นสุนนะดังนั้นสุนนะต้องมีรูปแบบนะครับดังนั้นสุนนะต้องมีรูปแบบแล้วอายะนี้นะครับเป็นการ ปลอบใจให้กําลังใจท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ล่องมอะลัยวาสัลลัมนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์สัลลัมนะเป็นคนที่หัวใจอ่อนโยนมากทุกครั้งที่นบีไปเตือนใครก็ตามแล้วเขาไม่รับสัจธรรมเขาดื้อดึงนบีจะมีความเสีย อ, อกเสียใจนะจะมีความขับอกขับใจจะมีความลําบากนะครับจะเกิดความยากลําบากเกิดขึ้นในหัวใจของท่านนาบีนะครับ จะเกิดความหมองหมนระทมทุกข์ในหัวใจของท่านนาบับีหลังจากที่ไปเตือนแล้วเขาไม่รับสัจธรรมเพาะบีรักอุล ม, มะประชาชาิกลัวว่าอุมมะประชาชานเนี่ยนะครับจะหลงผิดแล้วทุกครั้งที่นบีเห็นศพที่ถูกแบกไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาตายไปในสภาพปฏิเสธศรัทธานะีบางบางครั้งนบีก็ร้องไห้แล้วหลายต่อหลายครั้งอับีก็เสียใจมากนะครับและแทบจะเรียกว่าทุกครั้งเลยก็ได้ที่นบีเสียใจมากกับ นะครับกับคนที่ดื้อดึงไม่ยอมรับสัจธรรมอัลลอฮ์ซุลฮานตะอาลานะครับก็เลยลงอายะคุรอ่านมานะครับมาบอกกับท่านนาบี ว, ว่ามุค่าเท่ากันเจ้าจะเตือนเขาหรือเจ้าไม่เตือนเขาเขาก็จะดื้อดึงดังนั้นอัลลอ์ไม่เอาผิดเจ้านะครับในสุรนะครับในสุรอัชชุอาราอายะที่3มอัลลอ์ก็ลงมาปลอบใจท่านนบี ว, ว่า ละอันละกาบาเคยุนนับสะกาะอันละยากรูมุมินินนะครับเพื่อที่เจ้านั้นจะไม่ทำลายชีวิตของเจ้าด้วยกับความเสียใจมานั่งรัฐมทุกจมปักอยู่กับความทุกข์หลังจากที่ไปเตือนคนแล้วนะครับจนไม่มาไม่อยากจะทำอะไรนะครับเพราะว่าหัวใจมีแต่ความบอบช้าแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็เสียใจอย่างมากเออเราก็เลยลงอายะมาปลอบใจท่านบีนะ เพื่อที่เจ้านั้นจะไม่ระบทมทุกนะหรือว่าเจ้านั้นได้ทําลายชีวิตของเจ้าเองด้วยกับความเสียใจในการที่พวกเขาไม่ศรัทธานะครับหลายต่อหลายครั้งอัลลอฮ์ลงอายะห์ปลอบใจท่านนบีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท่านนบีนั้นนะครับเสียอกเสียใจอัลลอฮ์ก็จะลงอายะห์มาปลอบใจท่านนบีฮะมัสซอลลัลลอฮุซซัลลัมนะครับแล้วก็อายะห์ต่อมานะครับคนที่ถูกประกาศสิทธ ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาเตือนอย่างไรเขาก็จะไม่ฟังแต่ทีนี้คำถามแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านี้เขาจะดื้อจนตายอัลลอฮเท่านั้นมีสิทธิ après, ์ท hmm. ี่จะรู้ว่าใครดื้อจนตายแต่เราไม่มีสิทธิ์จะรู้ว่าใครดื้อจนตายดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปประกาศสิทธิ์ใครว่าคนเนี่ยยังไงมันก็จะดื้อจนตายมันก็จะทาชีวิตจนตายมันจะทาบิดาจนตายมันจะชั่วจนตายเราไม่มีสิทธิ์เรามีหน้าที่เตือนเท่านั้นเอง แต่ผู้ที่จะรู้ว่าใครจะดื้อจนตายทำชีริกจนตายจมอยู่บนความชั่วจนตายเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับดังนั้นทุกอย่างอยู่ในกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับใครอัลลอฮ์จะให้ใครหลงมันอยู่ที่กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และอัลลอลลอฮ์รู้ดีว่าใครเลือกที่จะดื้อจนตายและใครเลือกที่จะได้รับทางนำอัลลอฮ์ทรงรู้ดีนะครับและอัลลอฮ์จะลงประกาศสิทธิมาให้กับคนนั้นถ้าเขาดื้อจนตาย และเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็จะให้ทางนำกับคนที่เขาไม่ได้ดื้อจนตายเขาดื้ออาจจะดื้อช่วงต้นของชีวิตช่วงแรกของชีวิตวันนึงเขากลับเนื้อกับตัวบางคนอาจจะดีมาตลอดแล้วตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ใครจะรู้นอกจากอัลลอฮ์สุภาโนตาละนะครับดังนั้นนะครับนี่คืออายะทั้งสอายะนะครับที่เราได้เรียนกันในวันนี้ นะครับจาก ส, สุรยาศีนนะครับสีอายะสั้นๆถ้าเราอ่านแค่คำแปลเราก็จะได้แค่คาแปลแต่บางทีเราไม่รู้เลยนะครับว่าความหมายที่ลึกซึ้งที่โยงกลับไปหาประวัติศาสตร์ที่โยงกลับมาตัวอย่างต่างๆทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เรียนจากตัปซีนเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอายาเหล่านี้เลยดังนั้นนะครับใครก็ตามที่อยากจะได้รับความรู้อยากจะรู้ถึง เ, เป้าหมายของการสร้างมนุษย์ อยากจะรู้ถึงบัญชาใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาสร้างเรามาโลกนี้เพื่ออะไรเรามาจากไหนและเราจะต้องไปอยู่โลกหน้าอยู่ในสภาพใดนะครับอัลลอฮ์ส่งสารเหล่านี้มาให้กับเราแล้วนะครับโดยผ่านคนที่ดีที่สุดผ่านมาลายกาที่ดีที่สุดนะครับและก็เป็นถ้อยคําที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชาตินี้แล้วที่จะให้เราทั้งอ่านและก็ให้เรานั้นพินิจพิจารณาใครควรเพื่อจะทําให้ชีวิตของเรานั้น อยู่รอดปลอดภัยและได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์สุลฮาวตาราห์นะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้นะครับเราก็เรียนประมาณ1ชั่วโมงนะครับห้นาทีก็ใกล้จะหนึ่งชั่วโมงนะครับก็หวังว่าวันนี้เราจะได้รับความรู้นะครับและได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์จากการที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนฟังศาสนานะครับแล้วก็มีเจตนาว่าจะนําไปปฏิบัติใช้และก็นํามา นะครับครวรตรวสอบตัวเองเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอ์อะกูกาลิฮะตาวะสตัฟรอนอัติมานีวาลกุมริซาอินมุสลิมุลิลิดัมฟัสตักฟึโรอินุลกฟรฮมสุบฮานะกหลุมะม์มิกชลาอิลลาอิลาอันตะอสตักฟึโรกวาตูบุลอัสสลามุอะลัยุมวรห์มตุลวรกตุ